พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยเอ็ดลำดับที่ยี่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ยี่สิบี่กันยายน2559ห้า้ยห้าบมีชื่อเรื่องว่าปฏิเสธกระทั่งใจวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่ กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันเสาร์พวกเราได้มาร่วมมารวมกันทําวัดเย็นเจริญพระพุทธมนตร์ทำวัดเย็ น, พพ น, ยนแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยาพวกเราทุกท่านตั้งแต่นมนานมาแล้วว่าอาทิตย์สุดท้ายพวกเราจะได้รวมร่วมกัน พอดผ้าฝ่าสามัิตีในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์สุดท้ายเพื่อสมทบหรือว่าหาทุนบำรุงสวนแสงธรรมของพวกเราในเมื่อการก่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการบำรุงต้องรักได้รักษาเสนาสนะตลอดน้ำไฟอย่างพวกเรามานั่งอยู่ขณะนี้แหละ ถ้าไม่มีไฟเป็นยังไงถ้าไม่มีพัดลมเป็นยังไงเราพัดลมกับไฟนั้นเรือน้ํานั้นมาจากไหนการล้วนแล้วจะเป็นจตุ ป, ปัจจัยของพวกเราที่มาร่วมมารวมการเสียสละในการทําบุญแต่ละครั้งแต่ละเดือนเพวัะนั้นการเสียสละเรื่องขอการทําบุญจําเป็นที่จะต้องได้เก็บเรื่องของเสียสละ จากพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยบทุกหมู่เหล่าในเมื่อได้มาแล้วก็ทาวาเราจะตรงไหนที่มันขาดตกบกพ้่องคณะกรรมการของวัดก็จะได้บูรณะปฏิสังขรณ์จุดนั้นหรือว่าก่อสร้างจุดนั้นขึ้นมาให้เป็นที่พักภาอาศัย แต่มันมีบริภูนอยู่แล้วจะตุปปัจจัยก็เก็บไว้ก่อนแหละเมื่อมีคลาวจำเป็นมามันมีอย่างฝนตกอย่างนี้แหละถ้ามันตกมากๆขึ้นมาละ่ะน้ำก็ไหลลงรวมอยู่สะระเผลๆมันจะท่วมวัดสวนแสงธรรมมันมีที่ระบายก็จะทำยังไงก็ต้องได้สูบน้ำออกจากสระน้ำที่กุติโรงตานะออกไปใส่ในคลองแล้วไปใส่ในข้างถนน อ่อยน้ําออกไปสูบออกไปหลวงพ่อมาคราวก่อนหลวงพ่อได้เห็นโอ้อันนี้มันจะต้องใช้จติตวิญญาณไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะสูบทั้งวันทั้งคืนเครื่องสูบน้ำนะสูบออกมาจากสระแล้วก็ขึ้นมาใส่ทางถนนให้มันออกไหลออกไปทำมาอย่างนั้นไม่ได้น้ําท่วมวัดนํำน้ำท่วมสวนแสงธรรม นี่ะอันนี้ก็คือมีความจำเป็นเราอยู่นสถานที่ใดไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านว่าอยู่ในวัดหรือเสนาสนะสงอย่างนี้ล่ะพวกเราก็จะต้องได้ช่วยกันบำรุงเนอ้อคณะสถานญาติโยมลูกหลานะวันพุ่งนี่แหละพวกเราจะได้ร่วม ร, ว ม, รวมกันทอดผ้าป่าสามคีเพื่อหาทุนนะแต่เมื่อ ดวงตาจุตินิพพานไปพวกเราคงจะจําได้ในคราวนั้นนะคราวนั้นเพราะว่าน้ําท่วมสวนแสงธรรมจุดที่ศาลาหลังนี้นะ่ะท่วมถึงสองเมตรจุดในพื้นดินทําไมหลวงพ่อจึงรู้นะเพราะว่าหลวงพ่อส่งคนหรือส่งลูกน้องมาไปดูซิมันท่วมมากขนาดไหน เ, เขาออกมาแล้วก็พายเรือเขา้ามาในใต้ถุนศาลาหลังนี้แหละจากนั้นเขาก็เอาไม้พายเรือเอ ไม้ย่างลงไปโอ้น้ำท่วมสองเมตรในหลวงพ่อเอตรงไต้ถุนไต้ถุนสาลาสาลาสวนแสงธรรมหลวงพ่อได้ยินเราโหมันไม่ใช่ธรรมดาน้ำท่วมปีห้าี่นะปีที่หลวงตาจุตินิรพัยน่ะน่จากนั้นมาเราก็ได้พอปลายปีเราก็ได้มาทอดผ้าป่าร่วมกันทอดผ้าป่าสามคัคคีข่าวนั้นก็ได้บุรณะเจนาชนะขึ้นมาเป็นรูปร่างขึ้นมา แล้วก็จะจัปัจจัยจํานวนนั้นหลักได้ร่วมเร่บูรณะจนเป็นถนนหนทางอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแี่แหละจะตุปปัจจัยที่ได้มาก็นี่แหละมาเพื่อดูแลปฏิสังขรสวนแสงธรรมของพวกเราในเมื่อลงตาท่านรับไปแล้วนะหลวงพ่อบอกกับพระน้องหนุ่งทั้งหลายคณะจต่ายญาติโยมทั้งหลาย ตรงนี้เป็นแหล่งบําเพ็ญบุญกุศลสาหรับพวกเราอย่างพวกเราวันนี้อนะได้มาร่วมมารวมกันก็ได้มาไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็ได้ร่วมกันฟังธรรมเทศนาแต่ทุกครั้งทุกคราวบางครั้งก็ได้เปิดธรรมเทศนาขององค์หลวงตาแต่วันนี้หลวงพ่อได้มาแล้วหลวงพ่อจะขอกล่าวปารบนานทีพวกเราจะได้ยินได้ฟังฮะแล้วก็ ทานหลวงพ่อ ม, มาเดมาอาจารย์เจริญก็คงจะเอาธรรมเทศนาขององค์หลวงตานะเปิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่อันนี้คือเป็นแหล่งบุญแหล่งกุศลสำหรับพวกเราแต่วันพุ่งนี้ก็พระสงฆ์ก็มาจากจารยุรธิที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาอีกมาจากหลายวัดมาร่วมมา ร, ว ม, มารวมกันพวกเราก็ได้ทาบุญตักบาตร แล้วก็เป็นการบำเพ็ญกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องบุญคุณงามความดีทั้งนั้นสวนแสงธรรมถ้ า, ากว่าลวงตาไม่ได้รับสวนแสงธรรมไว้แนหะพวกเราคิดดูสิว่าพวกเราจะไปรวมกันที่ไหนกรวมกันสำนักต่างๆวัดต่างๆก็คงจะไม่เป็นเอกเทศและไม่เอกฉั้นอย่างอย่างวัด เฉีงสวนแสงธรรมของเราอันนี้หลวงตาท่านมองไปท่านหลวงพ่อว่านะเพื่อจะให้สิทธิอนุสิทธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มามบอมเพนคุณงามความดีมาได้บอมเพนบุญกุศลร่วมกันในสวนแจ้งธรรมแห่งนี้นะแต่สมัยองค์หลวงตายังอยู่นะหลวงตาเคยพาสวดมนต์ไหมอันนี้พวกเราก็รู้ว่าไม่ได้มีการสวดมนต์เพราะองค์หลวงตาเป็นธรรม เป็นธรรมหรือว่าเป็นองค์แสดงธรรมเป็นธรรมมกักระหรือว่าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพวกเราหลังไหลเข้ามามาแล้วกับรงตากัะแสดงธรรมให้ฟังที่กุฏิของท่านก็นั่งนั่งล้อมรอบที่กุฏิของท่านได้กิดลวงตากอบรมแนะนําสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนาให้กับลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับ เ, เพราะว่าท่านไม่ได้พาสวดมนต์ไหว้พระแต่ทีนี้มาถึงพวกเราแต่ามาถึงพวกเราเราจะให้เหมือนกับทำเหมือนกับลงตาก็ยังไงอยู่เพราะมีการมันตึงดูดมันต่างกันแ น, น้เพวกเราก็ต้องมาถึงมาพร้อมกันแล้วก็มีการไหว้พระทำพิธีคารวะอย่างน้อยก็ซ้อมสวดมนต์ วิธีการสวดมนต์ไหว้พระออกทาเลงเสียงอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกฝึกใส่กันในเมื่อฝึกแล้วเราก็นำไปสอนสวดในบ้านของเราก็ได้ใช่เพราเราได้เคยฝึกเคยสอนมาแล้วเคยผ่านการฝึกการเรียนศึกษาทานองมาแล้วนื้ลร้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นหลคณิตฐานญาติโยม ล, ลูกหลานสรุปแล้วก็คือนี่แหละการศึกษา การได้เรียนการศึกษาจากสถานที่ต่างๆว่าเรียนในโลกมันเรียนไม่จบนะถึงยังเรียนยังไงกับมันก็มนไม่จบโลกกันเนี่ยมีหลายแง่มุมเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาของเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะที่พระธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า8ปดหมี่พันพระธรรมขัคคัณเนี่ยไม่ใช่น้อยแต่เอาเถอาวันนี้นะหลวงพ่อจะ ยกประเด็นหนึ่งแล้วมุมหนึ่งสําหรับให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาหลวงพ่อจะไม่เน้นอย่างอื่นนะหลวงพ่อจะเน้นเรื่องจิตภาวนาเรื่องจิตภาวนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าคนเราในผู้หลักของพุทธศาสนานี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระศาสนาขึ้นมาเนี่ยก็นี่แหละคือเรื่องจิตภาวนาให้พวกเราศึกษาดูให้ดีพระพุทธเจ้าออกจากเวียงวัง พอไปเวียงหวังแล้วออแปลว่าตายดาบหน้า เ, ออเสียสละออก็รู้พวกเรารู้ไหมว่าความสุขในเวียงหวังนั่นคืออะไรเมื่อความสุขในบ้านของเราขนาดทรัพสมบัติเรามีอยู่ในบ้านของเราเพียงหน่อยเดียวหน่อยนิดเราก็ยังติดในทรัพสมบัติในบ้านของเราในสามีภรรยาลูกหลานออในห้องหับห้องนอนห้องน้ําห้องสว้วมติดไปหมดนะความสะดวกสบาย แต่นี้พระพุทธองค์ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันท่านก็ต้องการความสะดวกสบายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหะไม่แพ้กันแต่ทําไมพระพุทธองค์จึงหนีออกจากเวียงหวังเพราะว่าพระพุทธองค์มองเห็นแล้วว่ า, เ, าเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บเห็นคนตายสะเทือนใจอย่างมากที่ท่านเห็นคนคนแก่คนเจ็บคนตายที่ก่อนที่จะเสด็จออกบวชนั่น วันที่ท่านเสด็จไปชมสวนอุทยานพร้อมกับนายฉันนะเน่ไปเห็นคนแก่วันหนึ่งไปเห็นคนเจ็บวันหนึ่งไปเห็นคนตายวันหนึ่งแต่ห่างกันนะจากนั้นก็ไปเห็นสัมมะคือนักพรตนักบวชสมมนาคือนักบวชในสมัยนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นนักบวชประเภทใดแต่นักบวชท่านนั้นเป็นท่านไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ นั่งขัดสมาธาิแล้วก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายาสํารวมนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้สิทธัตถะนั่งรถไปเห็นเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ววันนั้นไปเห็นส ม, มณะเห็น เ, เป็นเป็นครั้งที่สี่พอเห็นส ม, มณะเออถ้าหากว่าเราได้ออกไปจากเวียงวังเราได้ไ ปฏิบัติอย่างนี้อย่างสมณนาท่านนี้แหละที่นั่งคัดสมาธิเนะี่ยเราคงจะค้นคิดหาเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการคงจะหาช่องทางได้แต่ถ้าเราอยู่ในเวียงวังอยู่ในบริษัทบริวารห้อมร้อมอยู่ไม่รู้ว่าธรรมะหาเลี้ยงชีพไม่รู้ว่าบริการจัดการวิธีว่าจัดทหารตำรวจปกครองประเทศชาติบ้านเมือง หือหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้พวงประชาอยู่อย่างเนี้คงไม่มีโอกาสที่จะคุ้นคิดที่เราต้องการอยากจะรู้ถ้าเราออกไปหนีออกจากเวียงวังแล้วนะ่ะเราจะไปอยู่อย่างนี้อย่างทาสมณท่านนี้นะ่ะที่ท่านนั่งอยู่ตามลำพังเราคงจะคงจะหาช่องทางได้นะี่ น, นี้เป็นแนวความคิดของพุทธะจากนั้นท่านพระ อ, องค์ก็คิดอย่างเด็ดเดี่ยวในจิตใจเลย เ อ, อจากนั้นพระองค์ก็เ อ, อหนีออกจากกลางคืนพร้อมกับนายชนะม้าขันทกานยขึ้นมา้าเลยครัเพ่นออกจากเวียงวังนี่แหละพระองค์รู้ไหมว่าความสุขในเวียงวังนั่นคืออะไรไปถ้าไปข้างหน้าแล้วจะเป็นยังไงจะไปพึ่งพาอาศัยใครท่านไม่ได้เข้าไปอยู่ในเวียงวังไม่ได้อยู่าไปสถานที่ใดอีกต่างหากท่านเขาไปอยู่ในป่าอีกต่างหากใช่ไหมเออพอไปออก ออกเพระเสด็จออกไปในคืนนั้นพระองค์ก็บอกเลยว่ า, เ, าเราจะไม่กลับหวนกลับมาอีกแล้ว เ, เราตายดาบหน้ า, าถึงอย่างเป็นยังไงเราไม่กลับแต่ทีนี้ท้าว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นยุคนี้สมัยนี้ก็เถอะนะถ้าหากว่าพวกเราได้ยินว่ า, าผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเร า, เ, าเสด็จหนีออกจากเวียงวังไปอยู่อย่างนั้นพวกเราคิดว่าอย่างไร คิดว่าคงจะเป็นปราสาทแล้วเป็นอะไรมากกว่า น, นั้นอีกต่างหากทําไมหนีออกไปได้ยังไงฮะแต่พระองคนะ์ไม่แคร์นะไม่แคร์ชุมชนไม่แคร์สังคมไม่แคร์ใครทั้งหมดพระองค์เชื่อมั่นในพระไทยของพระองค์อย่างเด็ดเดี่ยวแล้วกัประกาศในใจว่าเราจะไม่หวนกลับมาโดยเด็ดขาดถึงจะยังไงเราจะตายตา ย, ตายดาบหน้าเนี่ยอันนี้คือความคิดของพระพุทธเจ้าของเรา ถ้าหาว่าพระพุทธเจ้าคิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าคงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านแน่ๆหลวงพ่อว่านนะคงจะได้เป็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละคงจะติดในบ้านในเรือนในลูกในร้านในทรัพย์สมบัติเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างนี้แหละอันนี้พระพุทธเจ้าคิดแต ก, แ ก, แ ก, แกต่างกว่าสามัญชนคิดแตกแตกต่างแตกต่างกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงหนีออกจากเวียงวังจากนั้นไปอยู่ตามลําพังแต่ในพระไตรปิฎก ดกท่านก็ไม่ได้พูดว่าในขณะที่ไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะอตรงแม่น้ําเนรันสรานะ่ะในลกแวกท่าน่นนะอใครไปสร้างกุฏิใครไปสร้างที่พักพำอาศัยท่านดื่มน้ํำยังไงท่านอาบน้ํำยังไงใครมา ถ, ถวายอาหารท่านเป็นประจําวันท่านมีอาหารกินท่านอยู่ยังไง<ม>ในประไตยปิดดกไม่ได้บอกกล่าวเลยแสดงว่าพระองค์ไปบวชพอแสดงไปบวชแล้วก็เป็นอนาถาเลย เออแต่เห็นได้ชัดก่อในคราวหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จออกไปอยู่ที่แม่น้ําเนดันชราพอไปอยู่ในแม่น้ําแล้วท่านก็ปองพระเกศาเออปองพระเกศาเสร็จแล้วก็ถอดเครื่องทรงทั้งหลายและก็มอบเครื่องทรงทั้งหลายให้นายให้นายชนะให้กับถือไม้ให้ถือไม้เพียงวังเอาชนะห่อไปเอาไปหา เพชรนินจินดาเอาไปาทำมาค้าขายเอาไปขายกินชนะเลี้ยงครอบครัวนะจะจํานวนไหนควรจะเข้าไปเวียงวงังก็เก็บไว้ในเวียงวงังเขาส่งคืนเขาซะาไปกลับไปนายฉันนากิหงอกงักเกลกั ก, กไม่อยากจะกลับเพราะคิดถึงเจ้านายเหมือนกันอา้าวครับอพอเจ้านายสั่งมีอำนาจเต็มยืนนายฉันนาไม่เคยเ ฟังเนี่ยพอเจ้านายสั่งก็ต้องหงอต้องกรีบกลับพอกลับไปอาม้ากลับไปด้วยนายฉันหน้าก็ขึ้นขี่หลังมา้าม้าขันตะกะเป็นม้าที่แสนรู้ในม้าตัวนั้นอ่ะอพอขึ้นม้าแล้วก็ควบม้าก็วิ่งม้าตอนนี้นทำไมเจ้านายของเราทําไมไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาหลังเราเออมีแต่ฉันหน้นั่งไปม้าตัวนั้นก็แค่นั้นเนี่ย วิตกกังวลคิดถึงเจ้าของอม้าขันตะการคิดถึงเจ้าของคิดถึงศิทธิทัต t h ที่เป็นเจ้านายของตนเองม้าตัวนั้นก็เลยหัวใจหัวใจวายหัวใกหัวใ จ, วใจแตกตายในในระหว่างที่พ้นจากสุขของพระพุทธเจ้าพ้นจากสุขของศิทธิ์ทัต t h ท่านนั้นนะม้าตัวนั้นก็หัวใจแตกพอแตกเสแล้ม้าตัวนั้นก็ตาล พอตายแต่นายฉันน้าก็นนางคงจะพอเครื่องทรงของพระพุทธเจ้ากับพระแสงดาบคงจะเดินทางอะไรโอ้คงจะเดินไกลพอสมควรกี่วันกี่คืนจึงมาถึงกรุงราชคืออันนี้ก็ไม่มีตำรา บ, บอกกี่วันกันนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพทุทธศะิทธธรของพวกเราจากนั้นพระองค์ก็อยู่ในป่าโดงพงรไฟล์บำเพ็ญอยู่ตั้ง6กปี ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกไม่รู้วลองอะไรตรอมมีอะไรบางทีทรมานร่างกายจนายยาหายผอมอดภคยานาถึงสี่สิบเก้าวัน อ, อจนว่าไม่มีใครคนใดที่จะอดอาหารยิ่งกว่านี้แต่ท่านอดอดจริงๆอดภคยาหานจากนั้นพกป้องก่ า, กา ร, ราการทรมานการทรมานกายนี่ ไม่ใช่ทาง เ, เพราะว่ากิเลสภายในใจมันยังมันยังอยู่กิเลสราเโธสะโมหนันมันยังอยู่แต่ร่างกายในภายผอมมากๆเลยเจะไม่ไหวเพราะองค์ก็กลับมากลับสวยพระกาหารอีกนี่คือการทรมานทางกายท่านว่าอตตกิลมัถา เ, เป็นว่าการทรมาน ร, าร่างกายให้ลำบากเป่า อันนี้อัธมกักิลมัฏฐา น, นกามสุขันลิกาคือไม่ได้อดไม่ได้บาเพ็ญอะไรเลยอยู่แบบกินแบบหมูออนอนกินแบบหมูอันนั้น น, น ก, การมัจสุขันลิกามัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอันนี้โหละอันนี้หลวงตามหาบัวท่านก็สอนสิทธิอนุสิทธินัคระสัทธาญาโยมโลูกหลานขันท่านว่ามัชิมาคือทำยังไงคว่ามัชชิมา แต่พวกเราบ่ามัตสึมาแต่พอดูแล้วมันหย่อนยิ่งกว่าหย่อนไปอีกออการมัสุขันลิกาคืออะไรการทรมานรักแล ะ, ละากายให้ลำบากเปล่าแต่หลวงตากันแนะนําสั่งสอนให้อดอาหารนะอดนอนก่อนอาหารออันนี้ท่านบอกว่าให้สังเกตตัวเองเอไม่ใช่ว่าอดแล้วอดเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนสี ต, ตะตาอดไม่ใช่เราอดแล้วให้ภาวนา อดแล้วอาใจของเราเป็นยังไงในขณะที่อดอาหารบำเพ็ญเป็นยังไงจิตใจเขาสู่ความสงบไหมจิตใจปุ่งฟุ้งซ่านไหมให้ดูตนเองไม่ใช่ว่าอดเหมือนพ ร, ระพุทธเจ้าพวกเราอดอดจริงๆอดอดแต่ดูร่างกายจเจ๋ยแต่หลวงตามหาบัวท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาอดอาหารให้ดูใจของตนเองด้วยนะ ถ้าหากว่าปล่อยปะละเลยไม่อดอาหารไม่อดนอนผ่อนอาหารไม่อดอาหาร เ, าเหมือนกับช้างาปล่อยให้มันกินตามตามอำเภอใจกินตามวัฏฏาใจช้างตัว น, นั้นเมื่อก่อนอะคึกขนองขึ้นมาเพล่เพลมันตกมันอีกตั้งหากแล้วว่าช้างตกมัน เ, เพราะอะไรเพราะว่ามันอาหารมันสมบูรณ์เกินไปนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าพระ ลูกหลานทั้งหลายไม่ได้ภาวนาไม่ได้อดอาหารชันทานอาหารตามตามอำเภอใจตามตามความชอบใจกิเลสราคะมันจะกำเริบในด้านจิตใจอันนี้ให้สังเกตท่านบอกให้สังเกตตัวเองไม่ใช่การขู่ไม่ใช่บังคับให้พอทาอะไรลงไปให้สังเกตเหมือนกับเราไปทำมาค้าขายขายกาแฟอย่างนี้มันเป็นยังไงได้กำไรไหม ถ้าไม่ได้กำไรจะไปขายทำไมในกาวแฟจุดนั้นไม่ใช่ว่าเขาให้ขายก็ขายตามที่เขาบอกอไปดำทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนทำมาค้าขายประเภทไหนก็ตามาได้กำไรไหมผลหงอกเงยไหม เ, เป็นยังไงในการทำมาค้าขายของเราอันนี้คือการภาวนาก็เช่นเดียวกันอันนี้คือตรงตาที่ท่านบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนสิธิ์นะเพราะนั้นท่านจึงบอกให้อดอาหารดูนะอดนอนดูนะ เแล้วก็ทานให้น้อยดูนะเป็นยังไงเรานี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือการตัวอย่างที่พุทธะนะแต่พระเจ้าท่านอดพระขยาหารทั้ง49วันท่านอดจริงๆจากท่านทานว่าไม่ใช่ทางจากนั้นก็ท่านบำเพ็ญทางด้านจิตใจมาบำเพ็ญหันหกลับมาทางใหม่ท่าน เ, อ, เ อ, อท่านได้ไปศึกษากับด า, าราดบุตรอุตกระดบุตรสองฤาษีมาแล้วลึ่ง เรื่องสมาธินะ่ะสมาธิของท่านนแน่นเป่งอย่างที่ว่านะ่ะจิตใจเป็นสมาธิดีแต่ท่านกลัวสมัยเมื่อเราเป็นกุ ม, มาร เ, เป็นเด็กไปแรกนาขวัญกับเพาะบิดาไปนอนอยู่ที่โคนต้นว่ากับนางสนมพวกนางสนมเอาไปวางไว้ที่โคนต้นว่าในสมัยนั้นเราได้นั่งสมาธิตามลําพังเมื่อสนมกำนัน หนีออกจากทิฏฐฐานที่เป็นเด็กน้อยเน่ยที่นอนหลับอยู่นะไปดูไปพวกพี่เลี้ยงทั้งหลายไปดูการสาธิตเรืวว่าการาแลกนาขวัญของพระพิดาปล่อยให้พระองค์อยู่ตามลําพังพระองค์ก็ลุกมานั่งขัดสมาธิากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญาในลมหายใจเข้าออกจากนั้นใจของพระองค์ใจ เ, เด็กสิษย์ท ธ, ธันท่ต้องรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตเน่งเกิดญ า, าศณศนาเกิดอภิเนาหาน ร, ร่มต้นว่าเนี่ยเที่ยงตรงแดดไม่ส่องเข้ามาหาท่านท่านมีความสุขมากแต่พวกเราก็สงสัยทาไมศิษย์ทธันท่าท่านจึงจึงทาอย่างนั้นจึงทาได้ใครไปสอนท่านนี่แหละอุปนิสัยเก่าแก่ อุปนิสัยของพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยเป็นฤาษีชีภัยมามากต่อมากนานต่อนานแต่อดีตชาติเพราะฉะนั้นอุปนิสัยเหล่านั้นล่ะอท่านทำได้เพราะอะไรเพราะท่านเคยทํามานี่แหละอพอมาถึงชาตินี้พระ อ, องค์ก็นี่ยแหะเป็นอุปนิสัยเก่าเพราะฉะนั้นพวกเรามานั่งภาวนาอย่างนี้ล่ะมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ล่ะ มันไม่ไปไหนนะคะนักสัตยาญาติโวมันเป็นอุปนิสัยติดพบติดชาติติดสันดานของพวกเราไปสู่ประโลภภายภาคหน้าไม่ไหวดีไม่ไหวชั่วถ้าใครทําชั่วก็เหมือนกันนอสันดานติดเองเหมือนกันเอถ้าเราได้อ่านได้ดูในชาดกแล้วในอดีตชาติพระองค์นี้มันเคยเป็นอย่างนี้ในอดีตชาติมาชาติที้มันยังเป็นนิสัยอย่างเก่าอยู่นี่เราก็เคยได้ยินถ้าเราได้อ่านนะ อันนี้ก็เหมือนกันเพราะพระพองค์ท่านเคยเป็นฤาษีชีภัยมาจากนั้นท่านคอเร่บาเพ็ญเรื่องจิตตะพนัจากนั้นพร ะ, พระไทยของพระองค์รวมสงบในคราวนั้นก็จากนั้นมากับพระองค์ก็ไมาได้ประสานต่อละไรเลยสมัยเป็นเด็กจนมาคราวนี้แหละที่มาบาเพ็ญอยู่ในป่าอายุถึงยี่สิบเก้าอายุสิบยี่สบเก้าปีเมื่อพระองค์ทรงออกทรงผนวช และอีกสี่ปี่ะหกปีล ะ, ละแล้วก็ต้องสามสิบกว่าใช่ไหมละ่ะอายุสามสิบห้าสสิหกปีน่ะที่พระองค์ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระองค์ก่อหวนลำเลิกถึงเอ๊อันนั้นกำลังเป็นหนทางฮะเป็นหนทางที่จะเป็นหนทางที่จะได้ตัดรู้เพระองค์ก่นะอนน่ะแต่ก็มีนิมิตหมายหลายๆอย่างก่อนที่พระองค์จะได้ตัดรู้ ในวันเดือน6เพนนนั้นอันนี้หลวงพ่อไม่ขอกล่าวไม่ขอบรรยายน ะ, เ, ะเพียงแต่ว่าวิธีการของพระ อ, องคอ์ในวันเดือน6เพนนนั้นจากนั้นพระ อ, องค์ก่ อ, อหาทำเลที่อยู่ที่โคลนตน้ตนโพที่พุทธคยานะพระ อ, องค์ก็นั่งอยู่ตามลําพังเพราะว่าในช่วงนั้นปัญจะวคีทั้งห้าโกนธัญญาปะปะพระธัญมาหานามัจจชิฐิผลนิบัติพระพุทธองค์ ดูแลพุะธองค์อยู่เออไปว่าพุทพุท อ, พองค์คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเอแต่ก่อนอดในช่วงอดอดพักกยอาหารนั่นน่ะอปัญจวัคคีย์ทั้งห้าใยตาไม่กระพริบเหมือนกนตาจ้องอยู่เออสิทธัตถะเอาจริงและค่านี้คงจะได้สําเร็จข่าวนี้ละอคงจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคราวนี้ละครั้งนี้ละเคือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยมองจ้องอยู่ แต่พระ อ, องคอ์รู้แก่ใจรู้แก่พระไทยว่าไม่ใช่หนทางพระ อ, องค์ก็กลับมาสวยพระกราหารพอกลับมาสวยพระกราหารปัญจวคีตังห้าโ อ, เ, อาเราจะไปมุ่งหวงังเลยกับท่านสิท ธ, ธัตถ์คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสร็จแล้วทานอาหารไปไปไปหนีพวกเราเห็นล้วช่วงที่ปัญจวคีทั้งห้าหนีจากพระพุทธองค์ ที่พุทธกยาไปไปสู่เมืองพาลาณสีนหนีออกจากไม่มีความเยื่อใยเลยนะหนีเตริดเปิดเปิงเลยไปอยู่ตามลําพังปัญจวัคคีแต่ได้พระองค์ก็อยู่ตามลําพังแก้ว่าไงแต่นี่เมื่อลูกน้องหนีหมดทั้ง5้าองค์นี้ล่ะพระองค์ก็อยู่ตามลําพังแล้วความสหบวิเวกวางเวงถึมันก็ต้องเกิดขึ้นมากทีเดียวลย่ะท่นี่พระองค์อยู่ตามลําพังพระองค์ก็หาช่องทางอยู่เหมือนกัน ว่าจะทำยังไงรึงจะพ้นทุกข์ถึงจะได้ได้ตัดรู้เอออย่างที่พระ อ, องค์ได้สำนึกที่ว่าสมัยอยู่ที่ไปแลกนาขวัญกับพระบิดาไปกับพวกนางสนมของพ่อพระ พ, พ, พี่เลี้ยงของพระแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงของพระ อ, องค์ที่ไปวางไว้ที่โคนต้นว่าอันนั้นกำลังเป็นโหนทางน่แหละวันเดือนหกเพนถึงพระ อ, องค์ก็ ย้อนลำลึกถึงวันนั้นก็เป็นวันที่นายโชติยะได้ไปเกี่ยวหญ้าคาไปตัดหญ้าคาอยู่ในละแวกนั้นหลังจากนั้นนายโชติยะก็ได้นำหญ้าคาหาบมาข้างละสีกํามออือใครๆมัดเป็นฟ่อนแล้วก็เสียบแล้วก็หาบมามาเห็นศิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพังยึดที่ทโคลนต้นโพธิ์เออท่านศิทธัตถะนั่งโพนต้นนั่งอยู่โคนต้นโพธิ์ รากโพนี่มันก็ลอยขึ้นมาตะปุ่มตะปำนั่นท่านคงจะนั่งไม่สบายเนี่แหละคนที่มีอุปนิสัยเห็นกันบันรักกันเลยนะสัตยาญาติโยมคนที่มีเมตตาต่อการเคยที่เป็นสั่งสมบัรมีต่อกันมาเพรเห็นกันมันเข้าชะตากันเลยล่ะไอคนที่อิจฉาพยาบาอาฆาตกันเพราะเห็นกันก็มันคว้างตากันเลยเพาะอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันไม่ถึงใจอยยังเก่าเพื่ออะเพราะว่าคนไม่เคย คนไม่เคยสั่งสมบา ร, รมีมาด้วยกันถ้าคนที่สั่งสมบา ร, รมีมาด้วยกันเห็นกันนั่นมันเข้าชะตากันเลยนายโสธิยากาับหาบยาคามาเห็นสิทัตถานั่งอยู่ตามลำพังท่านสิทัตถาท่านคงจะนั่งไม่สบายฮท่านนั่งอยู่โคนลากโคนคงตะปุ่มตะปํามท่านก็มอบยาคาแกะกำมือนะให้ท่านสิท ธ, ธัตถาเอาผมผมขอมอบยาคาให้ท่านนะท่านสิทธัตถา ได้ยาคาแปดกำมือท่านก็หาทํำเลที่นั่งหลากย า, า, าคาไปแปดกํามืออทั้งสอ ง, สองมัดท่านก็ไปคลี่ออกมาแล้วก็ได้ทางทิศตะวันออกท่านหาทําเลได้ทางทิศตะวันออกของต้นโพจากท่านเข้าครียาคาประสานกันเอาหางประสานกันเอาหัวเป็นคนละข้างกัน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 นี่แหละพวกเราพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อพุทธบริษัทสของพระพุทธเจ้ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านในตัจรู้ในวันเดือนหกเพนน่าน่ะพบ ก, กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรให้ฟังเอาไว้จุดนี่แหละจุดนี่จุดที่เราจะต้องนํามาประพฤติปฏิบัติประปรุงกายใจของเราท่านนั่งยังไงนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพอตนหัวค่าพระใจพระไทยใจของพงศ์ไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตจิตพระไทยใจของพงศ์อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเ อ, อไม่ให้คิดไปทางอื่น เมื่อเมื่อใจของพระองค์อยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้คิดถึงอดีตอนาคตจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดยานรัตเกิดชาณเกิดารัตนะเกิดชาญขึ้นมาในขณะนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินน ะ, ะในวันนั้นนะวันเดือนหกเพ็นพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงนะเรีว่าปฐมมยามยามตอนหัวค่า จะบอกปุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยและหลักของพุทธศาสนาพวกเราให้ศึกษาสิเนี่ยตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญเพราะพระพุทธเจ้าท่านเนีที่นั่งภาวนาในวันเดือนหกเพนตัดสรุปวันแรกเนะ น, นี่ยยาณรัศนะคํานี้นะ่ะปุเพนิวาสานุจติยาน น, ะานี่ยร ะ, าายะลึกชาติผลหลังได้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงเหมือนกับเราเกิดในวันนี้ เกิดโภโรภะเล ข, ขึ้นมาเกิดในวันนี้เราจะระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาวันนี้นี่พ ร, พระพรทธองค์ท่านตรัสท่านบอกว่าปุกเพนิวา ส, า, สานุสติญาณระลึกชาติโผนหลานได้เอเราศิทธถามาจากไหนมาเกิดที่นี่พอจิตใจพระไทยของพระองค์รวมสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเกิดญาณานะเกิดญาณานรัตนะเกิดความรู้พิเศษขึ้นมา มาจากไหนเรามาเกิดที่นี่ท่านก็นึกย้อนหนาะโอ้เรามาจากฉวันชั้นดุสิตกําลังจะขึ้นไปชั้นอื่นเทวบุตรนิมนต์เชิญเราลงมาเราได้ลงมาเกิดกับพระผ้ามารดาเสิริมหามายาพระบิดาชื่อพระเจ้าจุฑโทธนะที่กรุงกบิลพัฒน์ในวันนั้นเนี่ยแล้วก่อนที่จะขึ้นไปสู่สวันชั้นดุสิตอะมาจากไหน ท่านก็มองไปอิฐโอเป็นพระเวทจันทร์นในข่าวนั้นได้บำเพนบัลมีอจนจนได้บำเพนขึ้นไปสู่สันสวรรค์จากนั้นพิจารณาอีกก่อนที่จะมาเปลียนพระเวทจัทนทรอนมาจากไหนท่านก็ไล่เรียงตามลําดับยาวเหเยียดไปแต่ะไอแกว่ามีสิบชาติ บ, บ้างห้าสิบชาติ บ, บ้างห้าร้อยชาติ บ, บ้างหมื่นชาติแสนชาติ มากมายเลยทีนี้่เร า, ารเรีกปุเพนีิว่าสารนจติยานของพระพุทธเจ้าอันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้หลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าว่าอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้านั่งไม่ต้องขาดคะณีไม่ต้องเดาไม่ต้องประมาณการไม่ต้องเชื่อใครอื่นทั้งหมดให้พวกเรานั่งภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้านั่ง นี่อันนี้ก็คือปุกเพ น, าานิวาสารุจติยาพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตญาณการจุติของสรรพสัตว์ท่านมองตัวเองตอนหัวค่าท่านมองตัวเองเออมองสิทธธรรมมาจากไหนพอถึงเที่ยงคืนมองคนอื่นมองสรรพสัตว์ทั้งหลายเออมองใครท่านมองทำไมาคนเกิดมาไม่เหมือนกัน บางทีคนรวยคนสวยคนงามคนขี้ไร้กีเล่คนหูหนวกตาบอดพิโก่งพิการทําไมมันคนไม่เหมือนกันเกิดเป็นคนมันน่าจะเหมือนกันทำทำไมไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองอีกแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงใจแต่ละคนนั่นแหะไปทํากรรมอันไหนไว้เรื่องอะไรมันเป็นยังมาเป็นอย่างนี้คนหูตาบอดมันเพราะอะไรจะมาตาบอดท่านองค์ก็มอ ง, องดูกโอ้ใช่ในอดีตชาติเขาเขาทํากรรมเกี่ยวกับ ให้โทษคนอื่นเขาเอ้คนนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมพี่คงพิการเนี่ยโอ้คนนี้เขาเหลังแกเบียดเบีย น, รยนสรพพสัตวทั้งหลายกรรมของเขาให้สุคนเอ้ตอนนี้ทําไมคนนี้จึงรวยโอ้ในอดีตชาติเขาทําบุญกับพระประเจ้าพระอรหันตอสาวกกับพระโพธิเจ้าเขาทําบุญมาเอ้คนนี้ทําไมจนให้เกิดเป็นคนทําไมจนเออคนนี้ เขาขี้เกียจทำบุญเขาขี้เกียจให้ขี้เกียจให้ทานเออกินแล้วก็ใส่ปากใส่ท้องแล้วก็จบก็ไม่คำว่าคิดถึงคนอื่นไม่มี เ, เขาเป็นคนขี้ตนีทีเหนียวคนเองพราะองมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายแปกแตกต่างกันทั้งหมดพระองค์จึงว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกัน เ, เกิดมากรรมนั่นแหละเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์เกิดมา ถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีก็จะส่งผลให้เป็นคนดีร่ำรวยมั่งมีสีสุขมีฐานะทุกอย่างเป็นที่พึงปรารถนาอันนี้คือคนคือกรรมดีให้ผลส่วนที่ทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลก็อย่างที่ว่าเป็นไม่พึงปรารถนาหูหนวกตาบอดทุกอยาก่างทุกยน เ, เกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วก็หาหาเงินหาคำทรัพย์สมบัติจุง่งยาก ไม่มีเงินทาทรัพย์สมบัติพออเพราะอะไรเพราะกรรมเก่าให้ผลเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงได้ตัดรูเ้เป็นพนระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะท่านได้ให้โอวัธปฏิโมกข์อัอกต่างรุ ก, กรต่างเสืย่ยุกรรมชั่วอย่าทําเฉยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นและจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละพระ อ, องค์ให้ให้อวัธปฏิโมกนี่แหละ ยังวัดจุตูปะปาทะยาที่องค์มองเห็นสรรพสัตว์ในคืนเที่ยงคืนในวันเดือนหกเพนนั้นจากนั้นพอถึงจวนสว่างพระองค์ก็ได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณว่าใจตรงนี้มาจากไหนมาจากมาเกิดที่เวียน่หยตายเกิดไม่ว่าท่านว่าเราเรานี่มาจากไหนดวงใจเรื่มใครเป็นพ่อแม่ของใจท่านก็อนมองย้อนไป ดูไปถึงถึงดวงใจดวงวิญญาณของท่านมาจากไหนท่านย้อนย้อนกลับไปจนไปถึงอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังสรุปแล้วก็คือใจตรงนี้มาจากอาวิชชาคือตัวโง่ความโง่มันเกิดมาจากความโง่ไม่เลยจากนั้นไปอีกเลนพอง ไ, ไม่เกินกว่านั้นไปมันออกมาจากความโง่ มันต่ออวิชชาเพราะนั้นอวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นให้เกิดวิญญาปิญญามีภพชาติชลาจรามรณะโศกปริเทวทุกขโทมนณสสุขสรุปแล้วก็คือออกมาจากความโง่คือความไม่รู้นี่แหละจากนั้นพระองค์ก่อนดูพระไทยของพระองค์ทำไมใจดวงนี้จึงมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณเพราะอะไร เพกิเลตกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธหลงจากนั้นพระองค์จึงใช้ตปรธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดนั่นแหลี่ส ม, มาธิิเป็นเบื้องตน้นส ม, มาส ม, มาธิเป็นสุดท้ายได้นำนำมากลั่นกรองไตรตรองเผากิเลสในพระทัยของพระองค์ในวันนั้นจนได้ตัดสรู้เป็นพระอนุรักษสส ม, มาสมพโภธิยาน ได้ตัดสุปเป็นพระพุทธไชเจ้าในวันเดือนหกเพลนนั้นอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังพุทธประวัติให้ฟังคือให้พวกเราท่านทั้งหลายได้สังเกตได้ฟังไว้ว่าหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยพระองค์ได้ตัดอย่างไรไดพูดอย่างไรถ้าว่าพวกเราฟั ง, ฟ, งฟังหลวงพ่อพูดแล้วนะให้พวกเราศึกษาในปฐมสมโพธหรือพุทธประวัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวดูสิจากนั้นก็ ได้ศึกษาก็คืออันนี้คือแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ท่านได้มาพูดถึงแนวแถวสายหลวงปู่มั่นต้นตะปูลของพระกรรมฐานที่องค์โลกตาเคารพนับถือว่าเป็นพระอาจารย์ของท่านพวกเราก็เคานับเคารพนับถือองค์โลกตาว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายหลยองค์ที่เป็นสิทธิอนุสิทธิของหลวงปู่มั่นท่านบําเพ็ญอย่างไร เอออันนี้ก็คือพวกเราเมื่อได้ศึกษาพุทธประวัติแล้วเราก็ต้องมาศึกษาเป็นสาวระประวัติคือประวัติของผู้บาอาจารย์ในรุ่งในรุ่นปัจจุบันท่านบำเพ็ญอะไรแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้พวกเราภาวนานะภาวนาพุทโธเนอเป็นหลักอันที่ท่านสอนหลวงตานะ่พวกเราเกิดมาไม่ทันหลวงปู่มั่นใช่ไหมล่ะแต่ถึงยังไงหลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงปู่ล่าท่านกบพวก ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆพูดอย่างเดียวกันหมดว่าหลวงปู่บั่นสอนให้ภาวนาพุทโธนะเลยให้ภาวนาพุทโธแต่หลว ง, งตาในท่านพูดชัดเจน เ, เข้าไปศึกษากับหลวงปู่มั่นวันแรกในท่านบอกว่ามาหาให้ภาวนาพุทโธนะหายใจเข้าพทุทหายใจออกโธยึดพุทโธเป็นหลักถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลงเงื่อนได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่าย เพราะนั้นให้สำทับกับพุทโธ โ, โดยนะนะันี่แหละอันนี้ก็คือจากนั้นท่านก็ให้ภาวนาพุทธโธเป็นหลักเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเนีเป็นจิตญาณสิทธิ์ขององค์หลวงตาเวลาเราภาวนาให้สาทับ พ, พุทธโธเขาด้วยเวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลานั่งก็นั่งอย่างพระประธานนั่งนี่นะพอแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งภาวนาะแนวแถวของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามันหลงลืมได้ง่ายเอากรรมฐานพระพุทธเจ้าเพราะเราเป็นสาวะสาวกเราควรจะบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพดมีคำบริกรรมด้วยหายใจเข้าพดหายใจออกโทหายใจเข้าพดหายใจออกโท แต่มันยังเผลออยู่ให้พุทโธถีทีนะให้ทีย็บนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้สำทับอยู่ในตัวนึกตัวรู้สึกนึกคิดตัวนั้นแหะอย่าให้มันไปที่อื่นสํานึกเกี่ยกับพุทโธตัวนั้นอย่าให้มันเผลอเอ อ, อันนี้หลวงปู่คุบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนแต่หลวงพ่อมา อ, อมาภาวนาอีกมากําหนดดูอีกลองพ่อจึงแนะนําอีกแนวหนึ่งคือว่า ให้นับดูนะลูกหลานถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่ามันเผลอเมื่ อ, อไหร่ในเวลานั่งภาวนามันเผลอเมื่อไหร่มันหลงหรือเมื่อไหร่ให้นาวเรานับนะเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหนึ่งองา่าแต่จะไปแต่งลมขดฝาดฟืดฝาดาไม่ไม่เอาเคยให้ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกตามปกติไม่ต้องแต่งลมแต่ให้ปกติที่มันเข้าออก แต่ให้มีสติในการนับ เ, เรานับไปถึงร้อยทาไมเผลอกลับมาหนึ่งไมคอีกถ้ามันเผลอจะไปนับต่อให้กับให้กับมัน น, ะนับหนึ่งเราจะได้รู้ว่าสติของเรานะมันดีมันเผล่ง่ายขนาดไหนมันเผลอมันเผล่อยังไงตอนนี้เห็นได้ชัดนะคณะสัทธาญ จ, จ้าหลวงลูกหลานเวลามันเผลอหายใจเข้าหนึ่งหายใจออก2องหายใจเข้า3ามหายใจเข้า1น่งเป็นเลขขี่ใช่ไหมละ่ะ หายใจออกสองเป็นเลขคู่หายใจเลขเข้าสามหายใจเข้าเป็นเลขคี่สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ห้าคี่หกคู่เจ็ดคี่แปดคู่ลักษณะอยังไงถ้ามันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์สก่อนพอเบอร์เสร็จแล้วนับเลยสิท่นใดพอนับเข้าไปท่นี้เออมันจะเลขคู่เออเออเวลาออกมันจะเป็นเลขคี่ท่นนี้มันเผลอกันแล้วมันพร้อมเผลอไม่ได้ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่อีก ตั้งท่าไหม x เพระมันเผลอกลับมาหนึ่ง x ให้เราสังเกตดูทีนี้เอ่ถ้ามันนับยังไม่ถึงยี่ิบมันเผลอเอาเผลอเอาเราไม่ควรจะไว้ใจนะฮะเผลอๆ เ, เราจะเป็นบ้าเราจะเป็นอันไซเมอร์ได้ง่ายๆนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเผลอเออเผลอเอาเผลอเอาอย่างนี้มันไม่ใช่ผลดีนะเพราะฉนั้นตั้งสติให้เข้ม แ, แข็งก็ดีฝึกเอ่อมันก็ไม่เหลือวิสัยน ะ, ะ น, น่าจะทายาทโยมพอะเราฝึกหลายครั้งต่อหลายหน นับไปถึงร้อยได้เถนี่ยขอรับไปหนึ่งร้อยกนั่นแนหะเราควพยายามตั้งสติพยายามนับภาวนาไปเรื่อยๆเถอะเนี่ยนี่แหละ ว, วิธีการฝึกฝนทางด้าน จ, จิตใจฝึกสมาธินะ่ะถ้าว่าพวกเราไม่ฝึกนะเนี่ยมันจะเออละเหยลอยลงไปเรื่อยๆเพอ้อเพ้อกันนะสติขาดไปเรื่อยๆไม่เป็นผลดี อันนี้ก็คือวิธีการแนวแถวของหลวงปู่มันเถอว่า ใ, ให้กำหนดลมหายใจเข้าออบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นในเมื่อเราภาวนากําหนดลมหายใจใจของเราจะรวมนะจ๊ะจิตใจของเรารวมมันมีการรวมของจิตใจนั้นมันมีหลายระดับนะมันมีอยู่สมระดับคณิกะอุปจาระอปปนา อ, อกคณิกะก็คือประเดี๋ยวประดาวจิตใจรวมสงบชั่ววูบชั่วขณะหนึ่งแต่ถึงจะชั่ววูบชั่วขณะหนึ่งก็เถอจิตใจมีความเย็นมีความสุขมากไม่เคยมีมาก่อนเลยจิตใจจะเข้าสู่ความสงบมีความเย็นสบายมีความสุขถึงขนาดนี้ล้วะคณิกะสมาธิแต่พอมันถอนออกมาแล้วเราจะรู้สึกจำไม่ลืมว่า จิตใจของเราเมื่อกี้เนี่ยวันนี้นั่งเผาเนา่าทาไมมันมีความสุขจริงไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนแต่อยากจะให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นนะแต่อยากเราอยากแต่เราทำไปเรื่อยๆ อ, อีกมันจะเป็นขึ้นมาเราจะจากนั้นเราก็จะสังเกตไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ดอกคณิกะอุปจารสมาธิกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่หายใจเข้าอย่างที่ว่าจิตใจของเราจะไม่เผลอไปทางอื่นบังคับให้อยู่กับตัวเองได้ นึกคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้ใจของเรามันเป็นยังไงมีความนึกคิดปุ่งฟุ้งไปทางไหนบ้างให้สังเกตตัวเองจากนั้นสมาธิจุดนี้มันจะควบคุมสติกับจิตหนึ่งควบคุมมันคิดเรื่องอะไรรู้แต่มันยังไม่สงบนะมันยังได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ายังไม้ได้ยินเสียงผู้เสียงคนได้ยินแต่จิตใจไม่ออกไปข้างนอก ไม่ตามไปในเสียงได้ยินแต่มันอยู่กับตัวมันอยู่ในตัวแต่มันได้ยินเสียงเสียงเรื่องราวต่างๆแต่ตาเขาเราหลับไม่เห็นตาของเรานะแต่หูของเราได้ยินแต่ว่าใจของเราไม่ส่งไปตามเสียงที่ได้ยินนั้นๆไปลว่าควบสติควบคุมอารมณ์หรือควบคุมจิตให้อยู่อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธินะ แต่ทีนี้เมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างไม่ลดล ะ, ะเราดูใจของเราอยู่ตลอดเอออีกชักวช่วระยะหนึ่งมันจะจิตสงบรวมถึง <c oughs> การการรวมสงบจิตใจตัวนี้น่ะเออมันเหมือนกับตกเขียวตกบอฟางบางคนนะบางคนก็พูดว่าบางคนก็เนิ่งเข้าไปเงียบสงบเข้าไปแต่ว่าการเงียบหรือการสงบจะเป็นกับกิริยาใดก็ตามแต่มันรวมของนี้จะผิดปกติเท่าว่า สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นอันนั้นสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตเนี่งแต่มันไม่รับรู้ทางกายจะเนีเ่ยกายเสียงฟ้าร้องฟ้าฝ้าเสียงรถเสียงลเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งหมด Alger. เพราะว่าใจเม่นไม่ออกมารับรู้ทางกายไม่ออกมารับรู้ทางทางหูเนีนิ่งมันมีแต่สติอยู่กับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รู้ว่าสติรับจิตจากนั้นบางคนก็นั่งได้นานนะบางคนก็ไม่ได้นานจากนั้นจิตก็ถอนออกมาถอนออกมาเป็นอุปจาระจากนั้นก็เป็นขณิกะก็เป็นจิตธรรมดาทั่วๆไปอีกนั่นแหละเราก็รู้อีกนะว่าเออจิตใจเข้าสู่ความสงบจุดนั้นลนะ่ะเราบวริกรรมกรรมฐานอะไรเราภาวนายัางไงเราวางจิตใจยังไงจริงจะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ได้สังเกต ต่อมาแล้วก็พังนั่งภาวนาต่อหลายครั้งต่อ ห, หลายผลตอนเราไม่อยากจะให้มันนั่งสงบหรอกแต่เราทำเราทำตัวให้พ อ, เ, อ, อเราตั้งจิตให้พอเราทำเหตุให้พ อ, อ, อผลมันเกิดเองในี่และอันนี้คือสมาธิไม่เกินกว่านี้เรื่องสมาธิไม่เกินกว่าอัปปนาสมาธิแต่เพียงแค่นี้เราก็รู้แล้วเราก็รู้แก่ใจเลยว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูญนะ เพียงแค่นี้นะบอกกับตนเองได้แล้วนะขณะจตหาญาติโยมโรกหลานน ะ, เ, ะเพราะว่าในขณะที่จิตใจส ง, สงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหล ะ, ะที่ว่าจิตใจไม่รับรู้ทางกายมันเด่นชัดในความรู้สึกนึกคิดนั้นในความรู้สึกนั้นใจดวงนั้นเป็นสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิจุดนี้ละ่ะร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันนึ่งรู้ได้ด้วยตนเองเลยว่า ร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเป็นคนละอันกันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเรารู้ได้ด้วยตนเองเลยนี่แหละตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูนร่างกายเนี่ตายแน่ๆไปเผาไปทิ้งแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ตัวนามธรรมคือจิตใจดวงนั้นอ่ะออกจากร่างอ่าจะต้องไปปฏิสนที่ไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าเราทําบาปบาปอกุศลจะเป็นเพื่อนสองถ้าเราทําบุญ บุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองนำจิตใจของเราไปสู่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าถ้าว่าเราชําระจิตใจดวงนั้นจนเป็นพระอระหันต์จิตใจดวงนั้นก็เข้าสู่นิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงเน้นว่ารูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจใจกับกายกายกับใจแต่พระพุทธเจ้าในหลักของพุทธศาสนา ท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านว่ามาโนปุพังคมาธรรมามาโนเสรามาโนมายหเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านเน้นหนักเรื่องมโนคือใจเป็นหลักแต่ทอนนี้เมื่อเราจิตทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วนะเราจะพิจารณาอะไรท่านว่าให้ถอนออกมาทว่าจิตใจมันยัง ติดอยู่ในความสโศกให้นามาพิจารณานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาถอนออกมาให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญานี่คืออะไรท่านบอกว่าให้พิจารณานี่แหละของหยาบคือร่างกายนี่ร่างกายเป็นหินรับปัญญาร่างกายในเป็นหิ น, ญญนรนนนับปัญญาที่จะเกิดปัญญาได้ต้องอาศัยพิจารณาพิจารณาร่างกายเกสาผมโลมาขนอย่างพวกเราสวดเมื่อกี้นี่ อาการ32ของร่างกายมีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายหลงร่างกายปุถุชนทั้งหลายหลงร่างกายพอหลงร่างกายว่าเป็นตัวตนของเรายึดมั่นถือมันว่าเป็นของเราร่างกายเป็นของเราธาตุสี่ดินน้ำลมไปเป็นของเราพอมันว่าทิดเป็นของเราก็หลงร่างกายคนอื่นเขาหลงสามีหลงภรรยาหลงลูกหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติ หลงเงินคำทรัพย์สมบัติหลงคนอื่นไปเรื่อยเแต่พราเป็นอันดับแรกคือหลงร่างกายในเมื่อพิจารณาร่างกายีร่างกายสังขารของเราของข้าพเจ้าลูกร่างกายของหลวงพ่อเอี้ยนเนี่ยจะอยู่ไปนานจากเท่าไร่หลวงพ่อเอี้ยนเดี๋ยวนี้อายุท่านเท่าไหรแล้วอีกไม่นานหลวงพ่อเอี้ยนจะต้องตายนะตายแนละ้วนะเผาไฟทิ้งนะ ในเมื่อเผาไฟทิ้งละวัดบาศศาสานาศรัทธาญ า, า, าติโยมเงินคําทรัพย์สมบัติยังเป็นของหลวงพ่ออินอยู่เหรอหลวงพ่ออินก็ชาญขนาดร่างกายตัวเองจ ะ, จะไปเผาไฟทิ้งแล้วจะเป็นเอาไปยึดสมบัติพัฒฐานว่าเป็นของเราได้อย่างไรอขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรา เ, เพราะฉะนั้ น, นดูนะอย่าหลงตัวเองนะหลงพ่ออินนะอะอีกสักวันหนึ่งนะเขาเผ า, าไฟทิ้งแน่นะ ยังเหลือแต่กระดูกนะกระดูกขขขขเขาก็ไปด้วยไม่ได้นอกจากบุญงามความดีนอกจากบุญกับบาปเท่านั้นเท่าตัวเองพิจารณาเห็นอนันใดจางทุกขังอันัตตาเห็นเกิดความเบื่อหนายกลายจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละดันั้นพอเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเงินคําทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเรามาพิจารณาถึงภายนอกพิจารณาย้อนคือมาหาตัวผู้รู้คือใจ ใจของเราเนี่ยเป็นหลงร่างกายใช่ไหมไปหลงเสียงภ า, ายนอกใช่ไหมไปหลงยศถาบรรดาสาวาเป็นของตัวตัวตนของเรา ใ, าใช่ไหมใจพอจ้อนก็มาหาตัวผู้รู้คือใจใจดูใจใช่นี่เอเห็นูจากทั้งก็ดูใจของตัวเองตัวใจของเราเออมันก็ดุกเด็กดุกเด็ ق, กด ق, กเ ق, ูเด็กกูเด็กกูเด็กกูเด็กแท้ๆใจตรงนี้มันดุกเด็กมันหลุกเล็กมันเห็นเป็นอนิจจ์ สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเ like สธกระทั่งใจใจของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเองปฏิเสธกระทั่งใจเพราะตัวไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีจุดมีต่อมอยู่ที่ใดอย่างองค์หลวงตาท่านว่านั่นแหละคือตัวพบตัวชาติมันเกิดออกมาจากตัวผู้รู้คือใจนั่นละ่ป icas, s, นะปฏิเสธกระทั่งใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเป็นอนัตตาปฏิเสธ และสิ่งที่ได้นะั่นคืออะไรในเมื่อสิ่งที่ได้ก็เหมือนกับเราแต่ก่อนเราไม่รู้กอไก่ขอไข่ A B C D 1 2ึสเราไม่รู้แต่พอเรารู้ขึ้นมา A B C D e, 1, 2, 3, เออหนึ่งสอเรารู้ขึ้นมาละไอความที่ไม่รู้นั้นมันหายไปไหนไอมันหายไปไหนอันนี้คงเหมือนกันนั่นแหละถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงแนวแน ว, แนวอริยศาสตร์แล้วจริงที่อวิชชา ที่มันไม่รู้มันก็หายไปในจุดนั้นเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาภาวนาให้พิจารณาสังขารทั้งหลายตัวของเราเนี่นะมิใช่ตัวตนของเราณ ใ, ใจนะขนาดใจของเราี่ยังมายึดมั่นถือมั่นในร่างกายอยู่มันไม่ใช่เราณ ใ, ใจปฏิเสธกระทั่งใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นใจตรงนี้เป็นอนัตตาอ่อันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุก อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะปฏิเสธกระทั่งดวงใจนะนี่แหะคือหลักธรรมคำสอนของพุทธะหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นพวกเราทุกสุขันนะกาะนั้นศรัทธาญาติโยมถึงทาไม่ได้ถึงจุดอย่างที่หลวงพ่อพูดก็ให้รู้แนวทางเอาไว้ว่านี่กรรมฐานนี่แนวทางของพุทธะน ให้ชำละผิดใจในชำละอย่างนี้นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านหลวงพ่อเองมั่นใจนะที่การแนะนาสั่งสอนคณะสภาญาติโยมนี่ว่านแนะนำสั่งสอนไม่ผิดก็แล้วกันให้พวกเราปฏิบัติตามนี้อย่าเย็ดมั่นคือมั่นอย่าไปยึดฝว้าจริงทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวตนของเราปฏิเสธเทิ้งกระทั่งใจตัวนี้นะตัวการหย่ที่ มันติดพบติดชาติเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่ที่ที่ไม่มีที่สุดที่มีคนมาผิดใจดวงนี้นะหลงพ่อพูดจนน้ำไหลไฟดับจนผลตกเสียงสดั่นออกมาแล้วลาการพูดและการแสดงในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลานะัขนากขาญาตยาจมลูกหลานน ะ, ะต่อ น, นี่ไปนั่งสมาธิสักชั่วระยะหนึ่ง